หรือเพราะความเกลียดกะปิกันแน่กะปิไม่ได้ทำให้ลิงมีแผลไม่ทำให้ลิงเจ็บปวดแต่ความเกลียดกะปิต่างหากที่ทำให้ลิงมีแผลเลือดไหลออกมาความเกลียดกะปิทำให้ลิงเอามือถู ก, กระพินอยู่นั่นแหละกะปิไม่ได้ทำร้ายลิงความเกลียดกะปิต่างหากที่ทำร้ายลิงคนเราก็เหมือนกัน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 ถ้าเขาด่าว่าเธอจะทำอย่างไรพระปุณณตอบว่าด่ายังดีกว่าทำร้ายด้วยมือพระองตรัสถามว่าถ้าเขาทำร้ายด้วยมือจะทำอย่างไรพระปุณณตอบว่ายังดีกว่าใช้ก้อนดินทำร้ายครั้นตรัสถามว่าถ้าใช้ก <Bless ing suggestions> ้อนดินทำร้ายจะทำอย่างไรพระปุณณตอบว่ายังดีกว่าใช้ท่อนไม้ทำร้ายตรัสถามต่อว่า